องห้าแห่งภิกษุผู้ต้องถือนิสัยภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าแม้อื่นอีกจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้คือ 1. เป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศินสอเป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัจฉาจารย์3เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ 4. เป็นผู้ได้ยินได้ฟังน้อย5เป็นผู้มีปัญญาสามภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าเหล่านี้แล จะพึ่งอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้วงเล็บห้า